ต้องทำกันท่านพ่อจะพูดให้ฟังรับรองว่าไม่โกหกหมดเท็ุแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยถ้าทายขอท้าทายในความจริงในความจริงก็คือสิ่งที่เราได้ทำอยู่นี่แหละ การเจริญสติเนี่เรียกว่าความจริงดูอยู่โดยชอบแล้วแต่โูกของจริงของเท็จในกายในใจของเร า, าเรากำลังจะดูมันอยู่มันจะต้องแสดงให้เราเห็นมันเท็จมันจริงอย่างไรนะแล้วก็ไม่เลือวิสัยที่เราจะทำได้ ที่เราจะเห็นได้ด้วยแล้วสิ่งที่เราเห็นเราก็หัดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นให้ถูกต้องเป็นเราสร้างความรู้สึกตัวเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเพื่ออะไร <c oughs> ที่มันมีอยู่มันเพื่ออะไรแล้วมันก็บอกเราด้วย ความรู้สึกตัวก็คือความจริงแล้วคือความรู้สึกตัวแล้วคือความถูกต้องแล้วอยู่โดยชอบแล้วมันชอบแล้ว <c oughs> ปฏิบัติก็ปฏิบัติชอบแล้วมาสร้างความรู้สึกตัวจับลองดูสัมผัสลองดูความหลงมันเืออะไรเกี่ยวข้องกับความหลงอย่างไรความหลงก็บอกอยู่แล้ว มาวันคืออะไรมีประโยชน์ไห ม, ไมเห็นกายเห็นกายเห็นกายมันก็เห็นของที่มันมีอยู่อีกเหมือนกันการเคลื่อนการไหวการรู้จึกกับกายที่มันเคลื่อนมันไหวอยู่เราได้ทําอะไรทําทั้งหมดไหมทั้งหมดเลยของชีวิตเรา ถ้าเป็นความดีเราก็ได้ทำสมบูรณ์ถ้าเป็นมีมันมีความชั่วเราก็ได้ละอย่างสมบูรณ์แบบเป็นธรรมละความชั่วก็เป็นธรรมแล้วทำความดีก็เป็นธรรมแล้วอ่าเราก็เห็นมันอยู่มันอยู่ในในเลนในตาข่ายมันเลนด่ที่มันผ่านมามันคืออะไรเหมือนกับ <c oughs> เครื่องเรดาที่มันจับ ต, ตัตตาศัตูแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันแต่ว่ามันจะเป็นอันตรายแล้วก็บอกอันนี้เลยทางอื่นเห็นทหารผู้รักษาประเทศชาติถ้าเห็นเครื่องวินลกเข้ามาผ่านน่านฟ้าเห็นประเทศไทย เขาบอกว่าออกไปออกไปถ้าไม่ออกไปจะยิงนะเขาก็บอกเขาก็กล บ, ลบแต่ถ้าเห็นอันที่ไม่มีใครเช่นเห็นเครื่องบินโดยสาร <c oughs> เขาก็อนุญาตให้ผ่านไม่เป็นอันตรายการปฏิบัติธรรม ความรู้จึกตัวเป็นเทาวานบานเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตใจของเราทื่มันจะแสดงออกเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรต่างๆแสดงหมดฉักมันแสดงมาทางกายทางใจดังที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยโยธรรมมังตะจติโสมังปตะจติ โยธรรมังนับปัจจติธรรมังปัจจเจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าเขาชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นปฏิเจสมูปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มีผู้ใดเห็นปฏิเจตนูปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้ปฏิเจตนูปบาทฉายให้เราดูเป็นหนัง เราเป็นเรื่องกับเรื่องเดียวจบเลยไม่มีหลายเรื่องมั้งก็เขาสร้างคือว่าละครอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้ น, นแต่งขึ้นแต่เรื่องของชีวิตเราไม่ได้แต่งมันเป็นของกันตัวเองเพรา ะ, ะสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันจึิงมีเพราะมันมีกติทุกมันจึงไม่มีความหลงมันจึงไม่มี <c oughs> ความโกรธมันยังไม่มีเพราะมันมีตัวหลงความทุกข์มันจึงมีความโกรธจึงมีนะเรียกว่าปัดติดจสมุปบาทมันต้องมีอันใดอันหนึ่งที่มันจะส่งผลไปมีเหตุมีปัจจัยเราจึงเห็นเราจึงดูดูกายเคลื่อนไหวไปมาเจตนาให้มันมีความรู้ตัวอย่อยู่เฉยๆอย่อยู่นิ่ง <c oughs> ต้องดูมันวันเราไปเก็บเห็ดไปถึงป่าเราก็ไปยืนไปเล่นอยู่ไม่ได้ดูได้แล่อะไรไม่ได้เห็นอะไรแต่ดูหัดดูไปเห็ด้ะโงกเป็นยังไงเห็ดตะไคร้เป็นยังไงเห็ดปวกเห็ด <c oughs> อ, อ, อะไรอะไรมันเคยเลยสิ่งที่มันใช้ได้สิ่งที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็เก็บเอา อ, อันที่มันใช้ได้ ในบางทีตาในถ้าดูไปมันก็รู้ผิดรู้ถูกบันกันเหตุอะไรที่มันเบือ่อมันเมาตาสายตาดูมันก็รู้แไม่สายตาดูไม่ออกมันก็เอาศัยกิ่นถาอาศักินดูไม่ออกมันก็ดูลักษณะถ้าเป็นเหตุอะไรที่มันมีแมงไม่หนอนกินก็แสดงว่าเราก็กินได้ เห็ุดอกใดที่มันบริสุทธิ์เตี้ยงก็ไม่มีมแมลงกินเลยนดอกใหญ่แสดงว่ากินไม่ได้มันก็บอกความจิงมันก็บอกถ้าดูนะตานะถ้าตาแห่งปัญญาตาในก็ความรู้สึกตัวถ้าได้เห็นแล้วมันก็บอกโดยตรงไม่ต้องไปดมไม่ต้องไปดูอีกหลายอย่าง พอมันเห็นแล้มันก็้รู้ทันทีมันก็ไปฝ่ายกุศลแลก็ไปทางกุศลใช่ได้เป็นความรู้สึกตัวมันใช่ได้เลยจับไม่ใช่เลยอตาเห็นโลกก็ใช่ได้เลยหูได้ยินเสียงก็ใช่ได้เลยจะมอกได้กลิ่นได้รสก็ใช่ได้ใจิตใจที่มันกบมันคิดขึ้นมาก็ใช่ได้จับความคิดไม่ใช่จับตาจับหู หมายใช่ให้สำเร็จประโยชน์แต่ถ้ามันใช่เราเราก็แปลว่าไม่ถูกต้องเราก็สลัดความเป็นธาตุมาเป็นนาย่งนั้นจับมันมาใช่ลูดศกตัวยึดไนดะ้ความลูดศัตัวมันยึดเอาขึ้นมาแต่มันไม่ยึดก่ล่างล่างแล้วสะอาดแล้วความลูดศัตัวใช่เท่าใดก็ยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่ยงคล่องตัว ยิ่งคล่องตัวเหมือนเราใช้มีดเราฟันไม้เราถากไมก้เราเหลาไมา้เราได้เหลาโดมีดของเราโดฟันโดยมีดของเร า, เราก็ทีแรกก็เหลาไม่เป็นเป็นเหลาตีนแบบเหลาตอก็ะไรต่างๆเหลาไปเหลามาแล้ก็คล่องตัวตาไม่ต้องดูมันขวนวณไปเองมันคล่องไปเองมาจ้ารวบใดรวบใด เราคล่องไปเองมีเต็มเดียวแต่คนที่ไม่เคยใช้นี้มันก็ทําไม่เป็นใส่ตปะเรามีกายเรามีใจเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวมันมีความหลงวันทีเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวไปใช้ความหลงความหลงจึงพาให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดแล้วเกิดอี เ, เรื่องเป็นราว แต่เราพันจาก็ยังใช้มันอยู่เราจึะมหาช่ายมหาช่ายความรู้สึกตัวมาสร้างด้วยมาใช้ด้วยพอมันพอสร้างมันมีราก็ใช่ได้เลยความรู้สึกตัวมันมีเพื่อใช้มันมีเพื่อรักษาเราจะใช้มันมันมันดูแลเราด้วยซ้ำไปสิ่งที่เรามาสร้างมันเป็นจริงมันมีของจริงและสิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่อยู่เห็นกายอย่างเนี้ยเห็นเวทนา เห็นจิต็คือมันคิดเห็นกายก็คือมันเคลื่อนมันไหวเห็นเวทนาเสื่ออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีเป็นร้อนเป็นหนาวก็ดีเป็นปวดเป็นเมื่อยก็ดีอันเขเรียกว่าเวทนาทางนั้นแต่จะตั้งชื่อมันตั้งชื่อตามพระพุทธเจา้าภาษาพระพุทธเจา้า ภาษาบาลเราก็เรียกว่าสูขวะทุกว่าร้อนว่าหนาวว่าหิวว่าเหนื่อยปวดไปต่างๆแล้วแต่จะสมุติเรียกกันก็เรียกรวมๆก็เรียกว่าเวทนาจะเรียกให้ใหสรุปยอดก็เรียกว่าอาการเรีว่าสรุปยอดให้มันอาการอาการของกายอาการของจิตใจจิตก็คือมันคิดอะไรความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจ ที่มันลักคิดขึ้นมาแซงหน้าแซงหลังในระหว่างคิดมันก็ชุกชนพอสมควรมันก็ชุกซนพอสมควรมาท้างซ้ายมาข้างขวามาข้างหน้าทําให้เราหยุดชะงักก็งี้เหมือนคนอินเดีย <c oughs> คนขอทานอินเดียแล้วเดินไปไหนมันไปตามไปมาข้างซ้ายบ้างเราไม่สนใจมาข้างขวาบ้าง เราทําท่าจับโนนชํานเรียกมาข้างขวาบ้างเราไม่จับอะไรก็มันนึกว่าเราไม่เห็นมันก็เดินมาข้างหน้าขังหน้ารัวบว่าเพื่อให้เราได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับมันแต่เราก็ไม่สนใจเดินข้ามน้าเดินข้ามแม่น้าเนรันฉลาดไปสบายไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับขเขาไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องบอกมันเราก็เดินไปเรื่อยๆไป ก็ไปข้างซ้ายบ้างไปข้างขวาบ้างไปข้างหน้าบ้างเราก็รู้ว่ามันต้องการอะไรวันลูปีวันลูปีวันลูปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าถยหเขาพูดว่าวันลูปีวันลูปีวันลู ป, ล ป, ล ป, ลปีทั้งเดินไปขวางหน้าขวงตาทั้งพูดทั้งจานแล้วไอ้สนใจเราก็เดินไปจนข้ามแม่นม้ำเนลันชลาถึงฝั่ง บาดทางสุดชาดดาแต่ถ้าเราไปสนใจก็เดินไมาได้แต่ต้องไปพูดกับเขาจะต้องไป <c oughs> ดูไปด่าเขาก็ต้องไปขอทางจากเขานั่งก็ไม่ได้เสียเวลาความคิดก็ดีอะไรที่มันเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเราก็ลู้ใส่ออกไปตะเพิดตะเพือความรู้กันไปจะเพิทธะเพืออยู่หรอก ไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปว่ามันหรอก <c oughs> <c oughs> ที่เราก็เดินไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆมันก็มาทางห น, นมันก็มาทางหนึ่งพอที่มันไม่มาคนเดียวด้วยมาพวกข้างหน้าวิ่งมาใส่พวกข้างหลงังก็วิ่งตามมาเป็นเก้าคนสิบคนล้อมเราอยู่เห็นเราจกกระเป๋าที่ดอยมันลุมเข้ามา ไม่ว่าเราจะจบอะไรให้ <c oughs> เราจะเอาเงินเอาทองลุ่มเข้ามาการจำหลัดการจำหลัดเอาขาไปตอขามันมันชั่วนาส่วนไหนล่มพวงเลนหนีเด็กน่อยแันนหนีแล้วการจำหลัดเอาขาไปฝ่อยมันเดินแข็งหน้าอะไรขาใ้ล่มลงก่อนมันวิ่งหนีเลยดีก่าเอาไปนั่งจำนี้นะ เรื่อความง่วงเอาหนอนมันจะแทรก <c oughs> แท น, นไปเลยเราให้มันหลงส้นไปเลยปึ๊บเปลี่ยนทันทีถ้ามันไปไม่ได้ก็ใช้พลังจะมันนั่งอยู่มันังนั่งยันจะง่วงอยู่ใช้พลัง <c oughs> อั่นเองอาจจะลุกขึ้นเดินอาจจะดูท่องฟ้าอาจจะดูก้อนเมฆอาจจะดูโยอดไม้ความรู้สึกไปอย่างอื่นนะกับตะลบัดมา มันหลงส้นหมืนหมาอะไรก็ตายก็ต่ายมันวิ่งย่นยยนเลหมาก็วิ่งตามไปพันทักหลังปับไม่เตี้ยนะวับไม่เดียนะดเด้ยหมาก็วิ่งไปกตัวหมาจะอยู่ได้ก็ตายวิ่งไปไกลจนหลงตัวสองส้นกปแล้การปฏิบัติธรรมก็มืนกันหักหลังมันลงดูมันง่วงอะไรก็ปับ๊บแตจะเปลี่ยนอย่างไร เว่าปฏิบัติอย่างไรเรามีวิธี เ, อเยอะแยะนะเทคนิค ก, การปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันหิดหลาบบ้างความหลงก็ดีความง่วงก็ดีความคิดก็ดีพยาบาทก็ดีสามมาลาคะก็ดีมานะทิฏฐิก็ดีให้มันหลงสนบ้ า, ง อ, าบบ ง, ง, ง, งอย่าไปทําแบบปุมปุ่มเกลือเกลืออย่าไปทําแบบรูปรูปคําำ บางอย่างก็เด็ดขาดเราสอน ล, ลูกตัวน่ะเด็ดขาดพูดคําเดียวเด็ดขาดใช่ความเด็ดขาดก็เป็นการหัดลูกไปเองตัวการหัดตัวเองก็เหมือ น, นกันมีบทเด็ดขาดมีบทตอนโยนสุขคคุมหล อ, อบเคาะใช่ได้หลายอย่างการปฏิบัติมันเป็นความดีมันมีให้ใช่ความดีทั้งหลายทั้งหลายมันบอก มันเฉลียฉลาดหยิบโนว่าหยิบนี่มาแล้วก็ทําได้เสด้วยตายของเราเนี่ยใจขเขาก็เหมือนกันตาหูก็เหมือนกันไม่อยากดูไม่บางทีไม่อยากเห็นน่นะกําลังเจริญสติอยู่เนี่ยบางทีคนมาพูดยังไม่ได้ยินเลยบางทีกําลังปฏิบัติทำอยู่เนี่ยเขาตีแล้ังสันเพยยังไม่ได้ยินเลยบางทั้งที่ไม่อยู่ใกล้กัน บาทีเราเดินชมกลมอยู่ไม่รู้ว่าใครเดินมาไม่เห็นคนเดินมาแต่ไม่ได้สนใจวันทีมันก็แน่วแน่มันกันเด็กขาดมันกั น, นแต่ถ้าเราไม่หัดนะอะไรก็หาเลยพอเห็นคนเดินมาเออสนใจใครนะมาจากไหนไปใค ร, ใครเป็นใครเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักหรือเปล่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาจากไหนก็ไปไกลๆแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ขั้นเท่หน่อยพอตาเห็นโลกก็ยาวไปหูได้ยินเสียงก็ยาวไปใจมันคิดก็ยาวไปปฏิบัติให้มันใกล้ๆให้มันสั้นๆั้นนะทําให้มันสั้นสั้นเรื่องอะไรต่างๆให้มันสั้นๆั้นเหมือนกับลมอยู่ในปลายจมูกมันสั้นๆั้นสิ่งที่มันสั้นๆั้นมันสําเร็จประโยชน์นะมันลมผ่านปลายจมูกนะ มันก็รู้ได้แค่นี้ไม่ใช่ไปตามลงถึงสะดือออกมายาวไม่ต้องเนาะเพียงมันสั้นสั้นมันรู้เฉพาะสั้นสั้นรู้ไวไวรู้สาเร็จประโยชน์อย่าไปรู้แบบเนินชาอย่าไปรู้แบบยืดยาวรู้สั้นสั้รู้ป๊อรู้ป๊อรู้ป๊อปจะนี่ยทำให้มันง่ายๆ่ยเลยนี่ย ไ, ไปตามอเอาจนเบือ่อนะเดินก็ไม่ใช่ไปยงอเอจนระวงังจนเหนะ้าเจ้าหลังสันดดดดเตดเต ด, ดคนแจ่ยยังไม่ไหว เ, เดินใช่ไหมเดินสั่นสั่นลูสั่นสั่นนะพี่มาบทอะไรก็ตามให้มันสั่นสัตาเห็นโูกมันก็แค่นี่เองโอย้ยินเสียงมก็แค่นี่เองแต่มันยาวของที่มันยาวของที่มันไกลมันใช่ไม่ได้ อ้อนให้มันอยู่ใกล้ๆมันใช่ได้หลงให้หลงใกล้ๆโกรธให้โกรธใกล้ๆทุกข์ให้ทุกข์ใกล้ๆใกล้กับกองทุกข์เรียกว่าอยู่ใกล้ๆปฏิบัติทำเลยว่ใกล้ความใกล้สิ้นใกล้ธรรมแบบนี้ว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกาในตัวปฏิบัติที่เราทำอยู่แล้วก็มันทําได้ทุกอย่างด้วยเป็นที่เราพบเห็นมันทําได้ทุกอย่าง ทำให้เป็นเรื่องดีได้ทุกอย่างปฏิบัติได้ทุกอย่างอันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเลยแต่นอกกายนอกใจปรากฎการนเราไม่เกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้วยแต่เรานั่งเราพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่กะดีเดียวกันคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขาสองคนเขาคุยกันนั่งป่ากฏการเราปฏิเสธไม่ได้จะไปโกรธเขาเราก็ทำของเราเอาใช้ลองดู ขยันจนนั้นลองดูเขาพูดกันบวมบวมเราไม่สนใจเขาเร า, เราทาของเราสวนทางมาทางนี้กลับมาทางนี้ถ้ากลับได้ตรงที่มันลุ่นเลยเหมือนกับเราเกาะหลักไว้แน่นเวลาน้า ม, มันพัดมาจับไว้ให้แน่นๆ่นมันก็ไม่ไปเราก็จะมีพลังในตอนนั้นด้วยมีวัตถุนในตอนนั้นด้วย เราลู่สักตัวเราลู่สักตัวลองดูตรงนั้นถ้าเป็นตัวปฏิบัติตรงนั้นอาจจะทำให้เรามีพลังมีความเพียนมีศิลปะจะไปแก้ปรากฏการเขาทานะเขาพูดเราไม่ชอบคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งก็มาทำไรอยไม่ะลูกอะไรเทศ้าวมันไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ได้สอนตัวเองเลยไปแก้ภายนอกไม่ใช่ลูกปฏิเสสมุปบาท ป ร, ประเด็เจสมุบาทเมาวโอ้มันเกิดได้ไม่เห็นไม่ประใจเราก็เจ่มันปักมันเราทําสิ่งที่เราทําได้เราจะไปบอกเขามันทำได้ยากกว่าการบอกเราแต่การบอกตัวเรามันทําได้ง่ายนิดเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่กระทบกระเทือนด้วยบัวไม่ทําหน้ามไม่ปนด้วยแล้วก็เป็นผลดีเจรเราด้วยในละในโอกาสที่เกิดนั้นบางทีมันก็มีปรากฏการณ์ แต่เราไม่หนีหนีอะไรหนีการปรุงแต่งการปรุงมันอยู่ที่ตัวเราเราจะชอบเราจะไม่ชอบมันอยู่ที่ตัวเราเราต้องแก้ตรงนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติเอาสิ่งที่มันทำได้ทันทีฮะแล้วก็มีให้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องภายนอกมันก็มีเรื่องภายในที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา เ, รเยอะแยะจะหมดเลย บางทีเราก็ยอมกับตัวเราแพ่ตัวเราวางทีตัวเราทแท้ๆเลยยังแพ้แล้วจะไปคณะคนอื่นได้งไงเราจึงฝึกหัดดัดแปลแก้ไขปรปุุงนะมันเห็นอยู่รอการปฏิบัติธรรมมันเห็นมันพบเห็นอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปถามว่าทําทำไมทําทำไมทําเพื่ออะไรถ้าไม่ทมําท ม, มันจะเป็นอะไรถ้าทาแล้วมันรู้มันจะเป็นยังไง นั่นไปไปถามมันไม่มีพอเรายกมือข้างสว่างไสมันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วโดยตรงอยู่แล้วพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นเคลื่อนไหวไปมารู้สึกระลึกได้มันก็วิ่นอยู่แล้วมันก็เป็นอยู่แล้วมันก็เห็นอยู่แล้วมันผิดมันถูกเราก็เห็นอยู่แล้วเราเกี่ยวข้องกับความผิดความถูกเราก็ทําอยู่แล้วทําได้บ้างไปได้บ้างเราก็ทําอยู่ถ้าทําได้ก็ ชอบใจถ้าทาไม่ได้ก็ไม่ชอบใจไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเีหล ะ, ะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำมันได้ก็ทำไปไม่ได้ก็ทำไปลู่อยู่ลู้อยู่ลู่อยู่มันหลงเราก็ลู้อยู่มันหลงเราก็ยู้ลู้อยู่มันหลงเราหลงไปเราก็กลับมาลู้นี่สิงที่เราทำอยูน่นะทำแค่นี้แต่ว่ามันไปไกลไม่ใช่ไป เอาไกลมาหาไกลตั้ต้นจะใกลๆตัวเรามันไปออกไปมันเราเดินแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวมีความหมายมันก็ไปไกลเรื่อยๆไปการปฏิบัตินี่ก็มั น, นลู่แต่ละลู่ลู่ลแต่ละลู่ความลู่แต่ละขัง้งความลู่แต่ละขั้งที่มีรูปแบบที่มีอริบุตร ม, มันก็เป็นไปอย่างนี้โอ้กลว่ามันจะ ประเมินผลมันตกไกลไปแล้วนะจนคิดหาไม่เห็นวางอย่างพบเดิมเดิมคิดหาไม่เห็นขอให้เราในความรู้สิบตัวนะไม่ใช่รู้ปไปคํานวณอปวันหนึ่งแล้วไม่รู้อะไรแต่รู้มันจะไปยังไงมันรู้หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่ามันเห็นเหมือนอาจารย์หลวงพ่อสอนหรือเปล่ามันก็ว่าประเมินอยู่นะ่ะมันไม่ใช่เมื่เราเดินทาง เราไปถึงไหนแล้วเน่เดิน ม, มานานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงยังอีกไกลเท่าไหร่คำหนึ่งคำนวณเขาบอกเขาบอกโอ้ยใจอ่อนล่าไปเลยเรื่องใกล้เรื่องไกลไม่มีความหมายเราจะเดินใจเนีมันดีกว่าไม่เส้นเฟืองพลังงานอย่าประเมินการปฏิบัติครับทำไปเรื่อยๆมีกรรมในการกระทำการกระทำจำแนกไปเอง จากพ้นจากอิเล็กมันก็จะพ้นไปเองพ้นจากความทุกข์มันก็จะพ้นไปเองเมื่อมีการกระทำไม่ใช่ไปว่า เ, เราลู่หรือเปล่าจิตใจเราสูงขึ้นหรือเปล่าไปไม่ถึงไหนเลยเลยเนี่ยอาจจะว่าตัวเองเถอะตำแหนึงํานวนก็ท่อแท้อ่าไม่ต้องทำแบบการห้ลู่สึกตัวไปเลยเลยรู้สึกตัวไปเลยเลย จะมาลูกระสร้างความลูคิริยาเอยบต่างๆเอามาใช้ขยันตรงนี้ขยันตรงนี้ถ้าขยันตรงนี้มันก็ขยันทุกอย่างมันก็ไปแบบไปไกลจากทุกอย่างถ้าขยันลูสึกตัวเอากายมาเป็นปัสแบบดุปรณ์สิ่งใดที่ทําให้หลงมาเป็นความล <c oughs> ูเป็นความลูเป็นความลูไปมีตัวปฏิบัติตัวที่จะต้องเห็นทำ ตัวที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ไปเติดเปิดตาําราไม่ใช่ไปจาําเมามันจะเห็นมันจะออกตาให้เราเห็นแม้บางทีเราเห็นอยู่ผ่านตาเราอยู่ผ่านการกระทําอยู่ที่มันลงเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมันรู้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมันห ล, ล, ลงคืออะไรคืออวิชชา ความรูปคืออะไรคือวิชาเพราะอาวิชามันก็เกิดการปรุงแต่งเมื่อเกิดการปรุงแต่งก็เกิดนามะรูปนามะรูปคือมันเกิดเกิดรักเกิดชังเกิดชอบเกิดไม่ชอบนามะรูปเต็มทีเราเป็นพเป็นชาติเมื่อมีนามะรูปมันก็มีอายตนะอ้าวอายตนะก็งอกขึ้นม า, อางอกงามขึ้นมามีมีลดอายตนะแล้วหูก็มีลด เอจะหมกเล่นกายใจตาไม่ลดพอมีเมื่อมีอัตนะมันก็มีผัสสะแล้วสัมผัสแล้วติดไปแล้วติดลดไปแล้วติดลถแห่งผัสสะนั่งอยู่เฉยๆแม่หลับตายังไม่ลดนะไม่ได้คีมอะไรยังไม่ลดก็เกิดเจทนาความสุขความทุกข์กไปอีกแล้วสุขทุกข์ ก, ก็ชอบไม่ชอบไปอีกแล้ว ก็ยึดมัน่นถือมั่นไปอีกแล้วเป็นภพเป็นชาติไปอีกแล้วภ พ, นวพหนึ่งชาติหนึ่งทันทีเกิดดับเกิดดับเกิดดับทันทีพ ย, ยันเกิดแล้วตรงไหนยางยันเกิดแล้วถ้าลงก็เกิดแล้วถ้ารู้สิตัวเร้าะปฏิจจส ม, มุปบาทฝวายนิโรธวานท้อยกลับมามันก็ลือ่อหรือว่าคุมคุมกําเนิดของการ พอมีวิชาเกิดความหูงมันก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่มีอสังขารตรงแก่ไม่มีนามลูกภูมิกาเนิดของนามลูกนามลูกไม่มีแล้ววะเมื่อนามลูกไม่มีอายตนะก็สํารวมหลงไม่มีไม่ได้หลงบนอายตนะอายตนะไม่ต้องใช่เลยเราใช่อายตนะไม่ให้มันใช้เราสํารวมหลงคุมได้ปัจจัยปัจจัยที่ทําให้เกิด ลงก็ น, น้อยลงมีแต่ผัสสะมีแต่อินสติอินสีผัสสะคุมแล้วกันมันก็ถอนทิศถอนทิศให้ชีวิตเราของรู้จิตตัวแตาไม่ใช่ถอนทิศเพราคุมกําเนิดมันไว้นะคุมกําเนิดนหน่อยแต่ว่าสังขารเป็นตัวคุมกําเนิดของสังขารทั้งปวง เมื่อไม่มีสังขารทั้งปวงสังขับได้เสียแล้วที่สังขารปรมาตุกขาสังรับสังขารใี้ได้อยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทังที่เราสวดอนิจจาวสาาัสังขาราสังขารเกิดขึ้นแก่เราแล้วอกปะทาวาจะทำไม่โนเพราะเราไปยึดไว้ไปคิดตวานิโชันติเข้าไประงับเสีย เตชงโอปชงโอโชโขเมื่อดับสังขารแล้วอยู่เป็นซุกต้องตรงต้องบังสกุลให้กับตัวเองของโลชตัวหลุดหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยตรงไปเรื่อยวางไปเรื่อยหยุดไปเรื่อยของที่ร้อนก็เย็นของที่หนักก็เบาของที่ยากก็ง่ายไปเรื่อยไแต่ว่าขุมไป ในวันกิดเขาคุมยาหญ้าค า, าเดี๋ยวนี้พ <c oughs> วกเราอันตรายสังขารที่เขาคุมเพราคุกําเนิดของหญ้าคาด้วยนี่นะเขาไม่ไถยเลยแล ม, ม่นว่ักปทโยกเพราะว่าอย่างเขาปลูกมันกม่นปลูกเหมืองก็าโพธไทยเลย <c oughs> เขาอยากีดขา่ายาปลูกมัน่นปลูกเขาโคดไปเลยทุกคน พอเราเดินธรรมญาตาเป็นปีที่สามที่สี่ไม่มีผลเลยยิ่งกำเริบเกิดขึ้นมากการใช้ยาพิษปลาบยาทุกวันนี้รุนแรงมากยาทั่วหัวเองก็ฉีดยาเข้าไปสิตายหมดเลยเน่าลงแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ขึ้นเผืองมันก็ไปจ้างรถไทยไปจ้างคนตายยาหายหมาเลยยาแล้วก็ โอกมันปลูกผลไม้เขาทำอยู่ทางบ้านเก่ายาดีป่าห่้าเมื่อก็อนตีดลงไปก็ลงทุนเป็นระนานเท่ า, านั้นนะ่ะหญ้าป่าพงหญ้าคาท่วงหัวเนี่ตาตายลงยกันะพอที่จะก็คนกระทบคนไหลลงมาสู่น้ำลำบะทา ว, วเราก็ตีแช่น้ำลำบะทาวเราก็ลำบาก ต่อไปต้องเลิกกันแล้วเลิกใช้น้ําลำประทาววิธีใดที่ไม่ต้องใช้น้ำลำประทาวต้องหาวิธีแล้วอาจจะกดน้าบอ่อสําหรับบ้านใหม่สันตาก็ยังมีน้าําบ่อใช้แต่ถ้ า, ถามอไปหวานเลยลำบากบางวันเน่ยเหม็นเหมือนกับ เ, เหมือนกับสัตว์ตายในองค์ไปไปเปิดก๊อกออกมาเนี่ยเหม็น มันเหม็นอะไรไปมามันเหม็นเหม็นน้ำเหม็นสารพิษต่างๆนะออันตรายรอบตานเราเพราะอะไรอัไรก็เรื่องเรื่องโรคโรคไปเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องมาลงอยู่ที่ตัวเราจากโรคภายในโรคภายนอกแทรกซ้อนเข้ามาอย่างที่หลวงพ่อพุทธวานเป็นยองลายสายพันธุ์ใหม่โรคไครไครเจ็บที่มันคลุกคลามเรา วันนี้มันพัฒนามันกันแต่เราก็ต้องพัฒนาการเชื้โลกเขาก็ยังมีหมอไม่ีคนอื่นช่วยเรามียาแก้ ป, ปวดมียาถอนพิษมียาไปดูหลวงปู่คาเสียงน้าท่วมปอดน้าท่วมใอจะหายบ่อจะหายบ่าหลวงพอ่อไปเส่นไม่รีไปยังได น้ำท่วมปอดมีปอดก็มีน้ำท่วมมีไตก็มีน้ำท่วมก็ต้องสูบออกสูบน้ำออกจากฟอดได้ทีละสามสิบ4ีซีสี่สิบีีนะนั้นก็มีคนช่วยนะแต่ว่าปิดใจของเราเนี่ยอารมณ์ต่างๆความหลงความโกรธเลยไม่มีใครช่วยตัวเราเราต้องช่วยต้องมาสร้างภูมิคุ้มกัน ความโลภสุดตัวมันจืดนะลดของโลกมันจะจืดนะความโลภจืดลงความหลงจืดลงความโกรธจืดลงความทุกข์จืดลงไปจนไม่มีอะไรจืดนะหลวงพ่อเทียนบว่าหลวงพ่อเทียนสาธิตให้หลวงพ่อดูสมัยปฏิบัติธรรมมืม่อหามือไปแตะก้นเด็กน้อยก้นเด็กหน่อยเป็นอะไรไม่เพี้ยน คนดกน็อตเด็กหน่อยมันแดงองต้องเห็นวะเอาเมื่อไปแตะมันเป็นเเมื่อไปแตะเอาเมื่อไปแตะมันสิดจืดมันติดขาวถอดเมื่อออกก็ติดยีมเป็นสีแดงใช่ไหมเอาเมื่อไปแตะมันติดจืดนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นเชิงซันให้มันจืดเถิดหลวงพ่เทียนว่าให้มันจืดเถิดมันไม่มีสีมีเสียงมีอะไรมันจืดโกรธก็จืดทุกข์ก็จืดหลงก็จืด ความทุกข์ทั้งปวงมีนจืดนะเหมือนกับยาถอนคิดความรู้สึกตัวนะ่ะความรู้สึกตัวนะมันจืดจริงจิงจง๊เอาไปวางลงความโกรธความโจโกรธก็จืดอไปวางลงความหลงความหลงก็จืดไปวางบนความทุกข์ความทุกข์ก็จืดขอให้เราใช้ขอให้เราสร้างให้มันนี้ความรู้สึกตัวนะ่ะถ้าไม่มีก็ลำบากเลยชีวิตของเราขาดตรงนี้เราก็ขาดทั้งหมดเลย ถ้นะาเรามีความรู้สดกตัวของห ล, ลงมาแทนเราขอมหลงมาแทนเราจะอยู่ได้หรือเราอยู่ได้เพราะความรู้เสึกตัวนะสวรรค์เนี่ยแต่เราไม่ค่อยให้โอกาสเราอยู่ได้เพราะมรรคผลนิพพานสวรรค์ น, นี่ยนะความเย็นความหยุดใ้เราอยู่ได้ถ้ามาล้นตลอดเวลาโกรธตลอดเวลาหนักอกหนักใจตลอดเวลาเราอยู่ไม่ได้วันนี้ดอกก็ตายไปแล้ว มักฝนในผ่านแท้ๆ ท, ที่เราให้อยู่ได้ที่ทําให้เราอยู่ได้บางทีมันก็นกนเย็นสบายเบาอกเบาใจหน้าตาสดชื่นนั่นแหละนิผ่านนิผ่านน้อยๆใ น, นผ่านชิมลองเราใส่ใจตรงนี้ให้มากมาสร้างนิผ่านสร้างความเย็นอกเย็นใจสร้างความเบาอกเบาใจสร้างความปล่อยความบาง โดยเฉพาะปฏิวัติ โ, ย โ, ยโยดยตรงเลือกนี้โดยตรงเพื่อให้งอกให้งามทัดเทลาแต่ถ้ารอให้เป็นไปตามธรรมชาติมันก็นานเกินไปมันก็ยาวเกินไประยะการเดินทางมันก็ยาวเกินไปเดี๋ยนี่เขาขอย่อแล้วเขาย่นแล้วเราพัฒนแานแล้วอย่างน้อยก็วัดป่าสุคโตขอพัฒนาเรื่องนี้ทาให้มันเั้นทาให้มัน สั้นๆครัว่ า, าอย่าให้มันยาวทางโบราณท่านว่าจิบแม่นม้ำข้าแม่นม้ำกาดเป็นแผ่นดินเดียวแผ่นดินแต่ทางเก่าขึ้นจิบขึ้นอยออเป็นข้าวเมือ่อไปคอนเจนมอวันมาทางน้องเลือจากน้องเลือมาวัานน้องแจเเดินทางสองขึ้นเดินในโยออเป็นข้าวเมือ ใส่เวลาเดินทางเที่ยงมีสิบสามสิบนาทีถึงเก่งคอแป๊บเดียวจากขนเก่นหนองเอรือเนี่ยสี่สิบกิโล อ, อพัฒนาทางสี่เลนแล้ววิ๊แป๊บเดียวถึงหนองเอรืเออ้ามันทําไมยังเป็นอย่างนี้เขาไปไกลแล้วถ้ายังโกรธอยู่มันล่าสมัยแล้วแต่ยังทุกข์อยู่มันล่าสมัยแล้วแต่ยังโลภยังหลงอยู่มันล่าสมัย เขาไปไกลกันแล้วมาทุกทำไมมาหลงทำไมมาโลภกักตัวนี่ให้มันทันโลกเขาถ้าไม่เข็นนั่นมันจะไม่ไหวแล้วทุกวันนี้นะสิ่งเวลร่มมันไม่เหมือนเก่าสิบปีก่อนกับวันนี้มันไม่เหมือนเก่าถ้าสิบปีก่อนยิ่งไกลกันไปคนมีผัวมีเมียก็ไม่เหมือนคนสมัยโบราณคนมีลูกมีเต้าก็ไม่เหมือนคนสมัยโบราณ คนมีทรัพย์สินแสดงคานก็ไม่มีเหมือนคนโบราณคนเมทวกวันไม่เหมือนคนโ บ, บราณแล้วนะมันมีมีมันมีเพื่อจัดร้างให้เกิดอะไรขึ้นปากมาหลายอยา่างแต่ก่อนคนจนอาศัยคนมีคนมีอาศัยคนจนเดี๋ยวนี้ก็ไปกันไกลออกไปไกลออกไกปพ่อแม่ก็ไกลลูกไปลูกก็ไกลพ่อไกลแม่ความคิดของลูก กับความคิดของแม่ไปคนละเรื่องกันเลยทุกวันนละยบางทีลูกันหลงพ่อยังได้ยินนะลูกชายมีลูกสองคนแล้วคนที่มีลูกชายลูกชายได้ลูกสองคนสามคนแล้วก็มาพูดกับพ่อกันแบบว่าเขาไม่มีอะไรเขาว่าว่าพ่อแม่จะให้ผมอยู่ยังไงพ่อแม่จะต้องยอมรับให้ผมอยู่ยงนงไงเลย แจะพอให้อยู่อย่างนี้เลยทําไมไม่ช่วยเหลือไปละเขาท่วงได้ม่เสี้ยนจังเลยอ่าควบลูกพูดจริง่แล้วลูกชายอกสามศอกพูดก็พอกะแมงทีละจะต้องให้แม่ดูแลเจ้าของจะต้องให้พ่อให้แม่ดูแลเจ้าของแล้วไม่คิดว่าจะตัวเองจะต้องไปดูแลพ่อแม่หรอกนี่มันเป็นคําพูดของลูกคนสมัยนี้แต่เราไม่มีทําอย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างไรมันเราจะต้องไปพึ่งอะไรหวังพึ่งเหลือ หยุดเลยต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองนะถ้าจะไปหวังพึ่งลูกพึ่งเ้าแเราอกหักนะอกหักเสียใจมากๆเลยนะไม่มีทางตัวนนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรแล้ว เ, เขาจะต้องมาขอพึ่งเราให้จะให้อะไรจะให้ทํำยังไงต้องอรับผิดชอบผมสิให้ผมเกิดมาแล้วเขาจะพูดอย่างนี้อ่าไม่เงี้ย น, นะเราพอนนะ่อไม่เงี้ยนะ ต้องมารับผิดชอบเขาแต่พ่อแม่บริการลูกไม่ได้โอ้ยลำบากเนะยแต่นี่พ่อแม่ต้องบริการลูกให้ได้เพีงจะมีค่าสําหรับลูกแต่พ่อแม่คนไหนบริการลูกไม่ได้แล้วนะเป็นหมาตัวหนึ่งนะนะว่ามันอย่างนี้ละเนี่ยนรอฮะนะว่ามันดายุ่มแต่มืันสมัด ถ้าปฏิบัติทอยู่น ะ, ะประเทศไทยเราผจนเลยภูวิลูกก็จะคิดไปคิดที่ไม่เอาเถ อ, อะมาทุกวันนี่นยนะไปคิดอะไรใส่ใจใส่ใจอย่าไปหวังลงลมๆแรงๆมานี่มาปฏิบัตินี่มาดูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยแก้ตรงนี้ก่อนว่าแก้ตรงใดๆแล้วมันก็ไปดีของมันไปเองอะไรถูกทุกอย่างจะเป็นก็เป็นถูกอ่า ยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิธียามจะตายตา ย, ตายให้เป็นเห็นสุขดีส่องฟันนะ่นแะเผื่อไว้กันนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นการบ้านของเราอยู่ยังไม่รู้เลยความโกรธก็ยังครองเราอยู่ความทุกข์ก็ยังครองเราอยู่ความหลงก็ยังครองเราอยู่แค่นี้ยังไม่เบาบางเลยเราจะไปถึงไหนกันจะย่ยยําต้องเกี่ยวเนื่นะ ปาปาสุขโตเห็นแล้วกันเห็นแล้วผักแล้วเคลื่อนแล้วขับเคลื่อนแล้วยกปิดวิญญาณให้มันเคลื่นอนออกไปสักหน่อยมันสูงขึ้นอย่าให้มีสิ่งอต่างมาทับถมได้ยกขึ้นมายกขึ้นนอม า, าทําอยู่อ่ปฏิบัติอยู่ทํากันอยู่ทําได้ด้วยมีสติสัมปชัญญะรู้จักระลึ ก, กลดได้เนี่ยนี่ที่เรามาทำอยู่ไม่ใช่อ่ว่าว่าท่ามเหลวไม่ใช่ไมไม่มี อ่ประโยชนไม่เป็นไม่เป็นมันถ้ามาเจริญสติไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตามาทำํำในสิ่งที่มันลือนหูลือนตายกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมออืมาดูโลกออามาดูโลกมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรที่มันควรไม่ควรผลที่สุด ถึงจะบ้ายไปทางหวางเด็กเกิดขึ้นมาข้างแรกกำมือแ น, น, น, น, น่นว่าในเทียนกำมือแน่นนะมั น, น, น, นจะเอาพอจะตายลงไปแดมเอยันไม่ได้เลยเลยอะไรเล ย, เลยอาดไม่ใช่มือกับ้จับเอาเงินใส่มือก็บจับแน่นว่าใ น, า น, า น, า น, านาเที้ย น, นไดีได้ยนอะไร้านให้ <c oughs> นนอะไรเล ย, เลยต่างสา ร, ารภาพ อเอาดอกไม้ใช้เมื่อก็มาจากออฟฟายัดไก้บ้านในพยกเอาใช้ปากไครอีกเพาาเราไปเที่ยวขึ้นมาพกูใท้ปากให้แม่กีิบบาทได้แล้วเก้าบาทยังอีกิบเาทเี่เอาจนเบิดถูกบาทผัวเหลือับปขันไม่ได้อะไรไปเลยเฮยวางมันให้ดีกว่านะวางใจมให้ทิมกันเด้ดอผมไม่ผัวไม่อะไรแต่หักแค่แทงกัน จะ ไ, ไปหวังอะไรให้มาทำดีต่อการโอไม่หลกไม่เต๋าเป็นเพื่อนเป็นเม็ดดีต่อกันไปจะ ไ, ไปให้มันไก่ก็แล้วจะบอกพ่อแม่ไม่รับที่ชอบเจ้าของเจ้าของม่ริดชอบเองเจ้าของจนแค่ยังไดงต้องมีอุทธธาหรณ์สำปทาถึง้งควอมเบิกความมันขยานการละยะาในเมตตามีเพื่อนที่ดีจะเป็นแห่งครับมวาระาาข้ามนี้ สมศรีชีวิตาเรื่องชีวิตโดยทั่งที่ชอบจะได้หายกินซีฟจนตัวจะไบอกพอแมวมารับที่ชอบเจ้าของไป่าไรพยันมันเพียนจนตัวว่ามันสอนอุกขัข น, นขในหลวงสอนสอนในพยันได้แลาวนี่มาทำพยันเรื่องนี้พยันลูกเป็นทรัพย์ของเฮานะขยันโล่พยันโดนเป็นอริทรัพย์ของพวกเราอย่าจนเถอะแม่จนเงินจนทองจนข้าวของก็อย่าจนสติปัญญา ให้ลูกจะโตในไม่ไงหน่อยบ้านทามออกไปอายุเก่าสิบสามปีย่งหนึ่งเขาใดถามเราบังถามลูกสาวเรากังเจ้าของลูกสา ว, ว, วาเราอ่ะฉันโมก็เห็นแม่ห่ายแม่โกรธจ้าเพียงกระพัดฉันหัจะพุ่งมาโมก็ เ, เ, เห็นแม่โกรปู่ปู่ปีๆดาลูกตาเก่าะเห็นจ้าเพียง มั่นล่าคนใจดีอายุเยินนะเก่าชิดสามปีแหละย่งหนึ่งเขาให้ลูกลกไปให้ไปหน้าแม่วันว่าแม่หนึ่งเขาใช้กล้องอมป่องนะเก่าชิดสามปีคนใจดีอายุเยืนว่าไม่ปาณานาสย์ทเด้แขอไม่อายุวันนาสุขระภะละโมแมน ต, ต้องมาทําตรงนี้ทําใจตรงนี้เรื่อยากแจ่มใสใจดีใจน้ำว่างว่างปล่อยปลอยห ย, ยุดหยุดเย็ยนเย็น ต้องรักษาตรงไหนใครผู้ใดมารักษาเขาต้องรักษาเองนะทำใจทำใจทำใจเวลาหนักก็วางเวลาร้อนก็เยน็นนะเอาเฉยๆอย่างบ น, บ น, นีไหมบ๊อฮะอะไรก่อเอบอ แม่น้อยวันทำมาไสไหแม่พอทายศุกพอทยศใบแม่แม่บวกไข่เสียงอน่อยกําลังไหนแม่เอวดเ่ีองไหนแม่นี่แม่พอทะยศุกแม่ทะยศุกนี่นะอะไงอย่างแม่แม่บวกไข่เนี่ยเสียงอะไรเสียงหน่อยเสง โอ้ยบอกว่าเลื่มเรื่มสองเท่าเที่ยงกันเดียว น, น่ะแม่ถมแม่ถมกับแม่หน่อยบอกแม่ยังเสรงๆแล้วเก้าสิบ ก, กันแล้วอ่าเราจะอ่อนก็เจะหลงก่อนนี่พ่อเลยพอเกือบิบงานขางานขาหลายแลยใช่ไมไป ร, รอดอรอเพรว่าจะได้พ่อเบปีนี่นะอ่าต้องทำใจทำใจทำใจเด้อพวกเราอ้าว อันนี้ก็สมมาพาควรแล้วก็จินแม่สินก็คืนหนึ่งวันหนึ่งแล้วต่อไปก็ทำพิธีทางศาสนาสมาทานศินกันตามส ม, มุิกัญญัตของโลก